พระธรรมาเทศนาแผ่นที่95าลำดับที่12โดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านนาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่23มีนาคม2559มีชื่อเรื่องว่าให้เร่งรีบก่อนหมาล่าเนื้อจะมาเจอ วันนี้เป็นวันที่ยี่สิบสามมีนาคมพุทธศักราชสองพันห้า้อยห้าสิบวันนี้หลวงพ่อได้นัดคนในวัดที่จะไปงานของคุณแม่ชีแก้วที่เราจะไปทําบุญครอบรอบสวดมนต์เย็นของวันที่ยี่สิบหก 26ี่มีนาเป็นวันเสาร์วันที่27วันอาทิตย์อาทิตย์สุดท้ายของเดือนมีนาทุกปีพกเราจะทำบุญลำาลึกถึงคุณแม่ชีแก้วเสียงล้ําที่เจดีของท่านที่บัตที่สำนักชีบันหวยทรายอำเภอคําชะชีตําบลคําชะชีีอำเภอคําชะชีีจังหวัดมุกดาหาร ปีนี้เป็นปีที่เท่าไรนะปียี่สกว่าแล้วมัง่ง เ, เราก็ไปทุกปีก็รู้สึกว่าพี่น้องประชาชนจัดทาญยาิโยมให้ความสำคัญล้นหลามในท้องถิ่นแต่หลวงพ่อเองก็ได้ไปเกือบไปทุกปีะฉะนั้นปีนี้ก็ได้บอกพระไว้แล้วนะได้บอกพระ คณะสัทยาญาิโยมไว้แล้วทางนุ่นก็เตรียมพร้อมเลยละ่ะแต่ทางนี้ทางวัดของเราเราก็คงจะเตรียมพร้อมอีกเหมือนกันเพราะงานคุณแม่ถือว่าเป็นงานต้นตระกูลของเราหลวงพ่อบอกกับคู่คนทั้งหลายบอกว่าเราจะให้ความสำคัญหนึ่งโยมพ่อโยมแม่ โยมพ่อโยมแม่หลวงปู่ล่าหลวงปู่จามคุณแม่ชีแก้วหลวงตามหาบัวหลวงพ่อให้ความสําคัญแปลว่าอยู่ในความคิดของหลวงพ่อในฐานะที่ว่าเป็นลูกทีเดียวแต่นอกเหนือจากนั้นไปแล้วหลวงพ่อก็ถือว่าเป็นญาติโกโหติกาที่ผมพ่อจะดูแลหลวงพ่อไม่ได้ถือว่าเป็นอย่างอื่น ถือว่าเป็นญาติผู้ใหญ่เท่านั้นแหละแต่ว่าท่านห้าหท่านเนี่ยถือว่าเป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์เป็นผู้มีพระคุณยิ่งสําหรับหลวงพ่อเพราะนั้นหลวงพ่อจึงมีงานศพระหว่างงานจริระของท่านหลวงพ่อจะต้องเข้าไปช่วยเต็มที่แต่บางคนก็อาจจะเข้าใจผิดหลวงพ่ อ, อเขาครูบาอาจารย์ที่ไหน หลวงพ่อเขคงจะเข้าไปอันนั้นเข้าใจผิดจะแล้วอย่าหลวงพ่อเองหลวงพ่อรู้ประมาณตนว่าอะไรประคุณที่เราพวกเราจะทดแทนในสามสี่ห้ากท่านเนี่ยหลวงพ่อจะต้องเข้าไปมีอะไรขาดเหลืออะไรมีความจำเป็นมากน้อยแค่ไหนเราทำแต่พอเสร็จแล้วก็คือจบ อันนี้ก็คุณแม่ชี้แก้วนี่ก็ถือว่าท่านเป็นผู้มีพระคุณสำหรับหลวงพ่อแตงแต่ตรงพ่อก่อนเกิดก่อนเกิดกับคุณแม่เป็นผู้ให้ความอุปการะนะจนถึงมาถึงว่าสร้างวัดป่านาคำน้อยก็ท่านนี่มีจตุ ป, ปัจจยที่เขาถวายท่านให้ท่านท่านก็บอกว่าให้กูายอิน กะตุปปัจจัยของแม่เนี่ยให้กูบาอินเนี่ยมากที่สุดในบรรดากูบาอาจารย์ทั้งหลายอันนี้ท่านก็ได้พูดแต่เราก็ได้รับต่างกลัมต่างวาระที่ท่านได้ช่วยมาก็มากมายทีเดียวที่ท่านให้มาเราก็ได้สร้างวัดวาศาสนาอย่างพวกเราท่านทั้งหลายได้เห็นนี่แหละนหลวงพ่อเนี่ยมาแต่มือ ถ้าจะว่าไปแล้วมาสร้างวัดป่านาคำน้อยที่หลวงพ่อพูดอย่างนี้ผู้ที่เข้ามาเกี่ยวข้องเข้ามาเกี่ยวข้องก็คงจะทราบว่าหลวงพ่อมาอย่างไรเดินทุดงมามาแล้วก็มาปรากฏที่นี่จากนั้นก็เนี่ยขอศรัทธาญาติโยมมาดายาทางยาทำทางเดินจังกรมจู นับหนึ่งเนี่ยจะว่านับศูนย์แล้วก็ได้ที่วัดป่าน้าคำว่านับศูนย์จากนั้นก็วได้ร่วมกันสร้างได้สร้างกันมาจนเป็นวัดวาศาสานาอย่างที่พวกเราทัานทั้งหลายได้เห็นเพราะฉนั้นยังหลวงพ่อจึงได้ทําบุญเมื่อวันมาคะปูชาทุกปีต่อไปนี้นะทํามาสืบเนื่องมาสองสามปีแล้วละ่ะแต่ก่อนก็ หือวันเป็นวันมรณาภาพคุณแม่เป็นวันทาบุญตกมาเราก็เมื่อสร้างเจดีย์คุณแม่เสร็จแล้วไปทางนู้นเราก็กาหนดวันใหม่เป็นวันทาบุญรวมญาติที่ผู้มีอุปกรคุณของวัดวันมาคะบูชาทุกปีเราจะทำบุญรวมกันเพราะว่าวัดของเรานับศูนย์อย่างที่ว่านะั้มีผู้ ออกกำลังกายบ้างออกกำลังสมองแนวความคิดบ้างออกกำลังทุนทรัพย์บ้างที่มารวบสร้างจนเป็นวัดว า, าศาสนาพวกเราได้รับความสะดวกสบายอย่างเดียวนี้ะก็เป็นผลงานของท่านเหล่านั้นแต่ท่านเหล่านั้นบางท่านก็รงรยไปตามอายุสังขารเกิดแก่เจ็บตายแต่พวกเราอยู่เบื้องหลังก็ไม่มีอะไรจะทดแทน พรคุของท่านเหล่านั้นนอกจากประกอบคุณงามความดีแล้วกับปีหนึ่งกร็รวบรวมกันทาบุญอุทิศนิมนต์พระสงฆ์มาทาบุญพวกเราก็ได้ถวายจตุปัจจัยไทยธรรมและอุทิศส่วนกุศลต่อดวงวิญญาณท่านเหล่านั้นถ้าท่านเหล่านั้นตกทุกข์ได้ยากอย่างไรก็ให้มารับส่วนบุญส่วนกุศลจากพวกเราอันนี้คือการทาบุญในวันมาฆบูชา ที่ผ่า น, านมาถ้าว่าหลวงพ่อยังสุขภาพยังเป็นไปอยู่อย่างนี้หลวงพ่อก็คงจะพาญาติโยมทําไปทุกปีทุกปีจนกว่าชีวิตจะหาไม่ถ้าไม่มีอุปสรรคนะแต่มีอุปสรรคกว่ากันไปตามอุปสรรคพอโลกนะมันโลกอนิจจงโลกอนิจจ์ทุกขังอนัตตาเราจะหมายมั่นปั้นมือทีเดียวอยากจะทำยังอยากจะทำอย่างนี้ โดยที่ไม่คิดว่าอนาคตจะเป็นอนกเจ้าของไม่เที่ยงก็ไม่ได้เอเราก็ต้องคิดไว้ทั้งหมดเผื่อเหลือเผื่อขาดาถ้ามันมีอะไรเกิดขึ้นแต่มันสะดวกก็ทําแต่มันไม่สะดวกที่จะไปทําทําไมเอทําให้ลําบากทําไมทําให้โง่ทําไมาการสร้างบุณสร้า ง, างกุศลก็มีหลายทางาทําทำทางนอกไปนก็นั่งภาวนาสิอพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธนั่นนะ การสร้างมหากุศลอันยิ่งใหญ่เพราะนั้นเราเมื่อทําจุดหนึ่งไม่ได้ทําจุดหนึ่งเมื่อทําจุดหนึ่งนี่นี่แหละทำจุดภาวนาเนี่ยสําคัญมากนะก็นัตทตาญาติโยมลูกหลานทุกคนนะเราจะไปคิดเมื่อทําอย่างนั้นไม่ได้ทําอย่างนี้ไม่ได้ให้ภาวนาให้ดูกําหนดลมหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกพุทโธพุทโธนั่นแหละเป็นกุศลมหากุศลอันยิ่งใหญ่ คณะคอยพวกเราทุกทุกทันนะแล้วก็วันที่ยีสิบเย็นยีหปีนานสวดมนต์เย็นที่สำนักชีของคุณแม่ชีแก้วพร้อมกับคณะศรัทธาญาติโยมพระสงฆ์ทุกปีโอล้นหลามนะตอนเช้าโูใส่บาทยาวเยียดทีเดียวพี่น้องศรัทธาญาติโยมในถิ่นนั้นให้ความสำคัญมากๆ แล้วก็วันที่ยี่สิบเจ็ดตอนเช้ายี่ปดทางโรงพยาบาลอำเภอคำชะอีเขาก็ในมนหลวงพ่อทำบุญโรงพยาบาลอีกก็ผงจะได้อยู่อีกสักวันนึง่งในที่นั้นพอไปก็อย่างวันอย่างนั้นหละลูกหลานเนะีแต่เลิดเปิดเปิงตั้งเลงเปินเปิดไปตั้งแต่วันที่ยี่สิบสี่ยี่สิบสี่ก็คือวันพุ่งนี้แหละ ฉันยังอาหารเสร็จแล้วไปไประชุมที่โรงพยาบาลศูนย์อุดรพระหลวงพ่อเป็นประธานมูลนิธิพอประปชุมเสร็จแล้วตอนเย็นก็คงจะไปพักที่วัดรวมธรรมแล้วออกจะนันกนตอนเช้ามืดออกไปขอนแก่นไปฉันที่ขอนแก่นเพื่อจะได้หมอเ็าจะได้ดูดเลือดตรวจเลือดจากนั้นเขาดูดเลือดตรวจเลือดเสร็จแล้วก็เราก็ฉันอาหารนะ่ ที่ขอนแกน่นพอฉันอาหารเสร็จแล้วก็ตอนบ่ายๆก็มีการประชุมพอหลวงพ่อเองเป็นประธานมูลนิธิหอพิบาลสงหลวงปู่มั่นภูริทัตโตโรงพยาบาลศรีนครินจังหวัดขอนแกน่นจะได้ประชุมหารือกันค่าใช้จ่ายเป็นยังไงเพราะเป็นมูลนิธิต้องถูกต้องตามกฎระเบียบตามกฎหมายเขาจากนั้นก็คงจะกําหนดวัน ทอดผ้าป่าสามารถขี่อีกทุกปีจะต้องมีการทอดผ้าป่ า, เ, าเมื่อเสร็จแล้วนั่นหละหลวงพ่อก็ลงไปมุกดาหารนคงจะไปพักที่นิคมคำส้อยวัดกุบายฉลาดกุบายเซอร์ของเรานะแล้วก็พักที่นั่นพรุ่งนี้เช้าวันที่26วันเสาร์กุบายเซอรไ์ได้ขอพระราชทานวิสูงคามสีมานะได้ คงจะปักหลักพิสุ ข, ขามศีมาที่วัดปา่าทำสะพุงพร้อมกับคณะสงฆ์ในท้องถิ่นนั้นก็คงจะจัดงานทําบุญทําทานบ้างแต่เราก็ยังไม่ทราบบ้างกันว่าเขาจะจัดงานกันยังไงแต่หลวงพ่อกไปร่วม ง, งานแต่็จแล้วก็คงไปปักหลักเขตพิสุ ข, ขามศีมาเมื่อปักหลักเสร็จเรียบร้อยแล้วนั่นแปลว่าบวชพระได้ทําสังฆกรรมไร้ทกอย่าง เหมือนกับศาลาของเราหลังนี้นะ่ะศาลาเหล่านี้ก็เห็นไหมหลักวิสุงคามสิมาต่อหน้าเนี่ยสามสีหลัก น, ะนั่นแหละเป็นเขตวิสุงคามสีมาบวชพระก็ได้สร้างธรรมสังฆ ก, กรรมอะไทุกอย่างถึงจะไม่เป็นโบสถ์หลังราคาแแหลมๆออแต่ทำได้แทนแทนแท น, แทนโบสถ์หลังนั้นได้ตัวสําคัญก็คือ น, นั้นหลักวิสุงคามสิมาเนี่ยนะสําคัญแต่อาคารโบสถ์ไม่สําคัญ แต่ตัวนั้นสําคัญแต่ถ้าว่ามีหลักตัวนั้นถึงจะไปปักอยู่ในป่าเขตนี่แหละเขตวิสุงคามสิมาถึงจะไม่มีอาคารไม่มีศาลาแต่มีตะก้อนหินมาปูเสื่อแล้วก็บวชได้เพราะมีหลักวิสุงคามสิมาจุดนั้นแต่ถ้าไม่มีหลักวิสุงคามสิมาจุดนั้นแล้วบวชไม่ได้ไม่เป็นพระ เพราะไม่ใช่เขตพระราชทานวิสุงขามพระเจ้าแผ่นดินไม่ไม่อนุญาตนะเพราะนั้นในหลักพระวินัยลูกหลานทั้งหลายถ้าหลวงพ่อไม่พูดไม่กล่าวให้ฟังลูกหลานก็คงจะไม่เข้าใจเหมือนกันนะนี่แหละอันนี้นก็คือกูบ า, าสลาดทํากกสพงท่านได้เป็นเจ้าอาวา่าจัดแล้วก็ขอวัดแล้วก็ตั้งวัดแล้วก็ขอ ประา ธ, ธานวิสุงคามสีมาถูกต้องตามกฎระเบียบมหาเถรพระธมคมและก็วันที่26วันที่26เย็นก็สวดมนต์เย็นที่สำนักจีคุณแม่ชีกแก้วยี่เจดฉันเช้า28ดฉันลงพยาบาลฟังๆในลูลุลานหลวงพ่อเนอนับข้อมือหลงข้อมือวันนั้น เป็นเรื่องอะไรตัวมีอะไรมลึงตึงนังกันไปหมดเลยแต่ทำยังไงได้ละ่ะ mm hmm. ประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านาแต่บางครั้งมันก็พอไหวก็ทำไปทำมันไม่ไหวเราก็ต้องมองมองดูตนเองอีกเหมือนกันนั่นหละแต่ถึงยังไงก็ตามนะคณะสัตยาชย์โยมลูกหลานทุกคนถึงเราจะได้ไปก็เออเอาไปช่วยแต่ผมไม่ได้ไปให้ภาวนาอยู่ในวัด จะ อ, อยู่ในวัดเนี่ยขณะดภาวนาผู้ไปก็เหมือนกันนะเออข่าไปแล้วอพญายบะฑูดพญามัจจุราชเนี่ยคงไม่ตามหาหรอกพอเราไปทํางานนะไม่ไม่ใช่อย่างนั้นนะอพญามัจจุราชตามหลังอยู่ตลอดทุกคนตามติดตลอดเหมือนกับหมาไล่เนือนะ้อะออพญามัจจุราชเนี่ยตามพวกเราเนี่ยเหมือนหมาไล่เนือนะ้ออะเอ ้าบางทีมัน ต, ตปะตบปะตบผิดตะปดตะปดถูกว่างนั้นอ่ะบางทีก็ใช้เล็บมันขยุ่มขาบ้าง้ามากกว่านั้นก็กัดขาบ้างเราก็เ ว, ว่งอยู่อย่างนั้นหละผลผลให้ฉุดวิ่งไม่ไหวล้มลงไปปียามัจโจลาดขย่ขายามคออะไรแต่เนียตายเนี่ยแหละปียามัจโจลาดไล่ตามเราอยู่ตลอดเวลา เราทั้งหลายอย่าตั้งอยู่ในความประมาทประกอบคุณงามความดีไว้อยู่เสมอสั่งสมบุญกุศลไว้อยู่เสมออีกสักวันหนึ่งนะ่ะไม่รู้ว่าวันไหน่ะพยายามมัจจุราชเหมือนหมาไล่เนื้อน่ะมันเมื่อทันเมื่อไหลก็เมื่อ น, นั้นละไม่ว่าแกไม่ว่านมไม่ใช่ว่าเออข้าพเจ้าแกสะก่อนอายุร้อยปีสะก่อนข้าจึงจะไปไม่ใช่แล้วนุมๆไปก็มีตั้งเยอะแยะไป เพราะนั้นท่านจึงให้ตั้งพวกเราท่านทั้งหลายตั้งอยู่ในความไม่ประมาทนะสั่งสมบุญกุศลเอาไว้บุญกุศลนั่นแหละจะเป็นเพื่อนสองของเราในเมื่อเราออกจากโลกนี้ไปบุญกุศลนั่นแะจะเป็นเพื่อนสองนะเป็นเคียงข้างเหมือนเราเดินต่างประเทศเราเงินเราเดินทางต่างประเทศเงินนั่นแหละจะเป็นเพื่อนสองของเราถ้าเราไม่มีเงิน ไม่มีเพชรนินจินดาอยู่ในกระเป๋าเราอย่าหวังเลยเราจะได้รับความสะดวกสบายถ้ามีเงินอยู่ในกระเป๋าเท่านั้นไปที่ไหนก็ได้ทั้งหมดพอโลกไปนี่เขาใช้เงินใบเดียวกันมันไม่ใช่เหมือนโลกทุกวันนี้ไปประเทศหนึ่งใช้ธนบัตรของเขาแต่ยมมทูตยมประโลกเน่เขาใช้เงินใบเดียวกันให้เข้าเงินตระกูลเดียวกัน คือใช้บุญออใช้บุญเขว่าบุญนะอไปในไปในที่ทุกสถานและก็แบ่งแยกแบ่งแยกกันไม่ได้อีกต่างหากขอกันกินไม่ได้อีกต่างหากของใครของเราไปละเป็โลกเป็นเป็นของใครของเรานะบุญกุศลจุเนี้แบ่งแยกกันไม่ได้แต่เราไม่ได้ทําไว้นะเราก็จนเลยแนตะถ้าเราได้ทําไว้นะเราก็ดี เงินก็อยู่ในกระเป๋าของเราเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ทุกท่านนะถ้าเราทําบาปอะไรเนี่ยถ้าหลับทาบาปอากุศลบาปอากุศลก็เป็นเพื่อนสองอีกเหมือนกันนะอพอเต่าตายไปแล้วนะบาปอากุศลเขาเป็นล็อกแขนทันทีเลยล็อกคอทันทีเลยเทํากำอันไหนไว้หนักไหมไปไปตกไปเข้าห้องขังนายูงซะก่อน อมันหนักไหมเอาส่งไปเข้าเรือนจําเมืองอุดรโอ้มันหนักเนี่ยนุ่นเลยไปบางขวางราดยาวลหรอตินี่ถ้าไปบางขวางราดยาวนี่เ ป, ป็นโทษหนักนะเออนี่ค็เหมือนกันนะถ้าว่าตายไปแล้วบาปก็ไม่มากบุญก็ไม่มากกับเป็นเปรตซะก่อน เ, อเป็นเปรตที่หิวโหวยอถ้ามากกว่านั้นกับไปตกนรกอบริวารของนรก ถ้าบาปหนักน่นไปตกนรกหลุมใหญ่ต่อมากหลุมใหญ่ทุกขอเอเวจีมหานรกนนถ้าตกเอเวจีมหานรกเราก็นู่นละโทษห้องขังมืดทึบตลอดชีวิตเกือบจะว่าอย่างนั้นแหละจนขังลืมขังลืมเวลาขังหลงเวลาอันนั้นแปลว่าโทษหนักมันมีปะโลกเมือก ปะลกเมืองผีก็มีโทษหนักโทษเบาเหมือนกันนะกนัตายาโจมลูกหลานไทยทํากรรมหนักถ้าไทยใครทํากรรมหนักอบาปอกุศลก็ส่งก็ไปลงลึกทีเดียวแหละขังลืมเลยล่ะอแต่ใครทำบุญทางทำบาปน้อยเออเอาเบาอบุญกุศลก็เหมือนกันอบุญกุศลนะก็ท้าวว่าใครทําน้อย อย่างน้อยก็มากเกิดเป็นมนุษย์ถ้าทำมากถ้าทำบาปกรรมกว่านั้นกว่นั้นไปเกิดเป็นมนุษย์ก็เจียงโยบ่าใบเสียจิตพิกลพิการอีกมีอีกหลายขั้นตอนเนี่กรรมจําแนกให้สรรพสัตว์ทั้งหลายเกิดมาแตกแตกต่างกันเพราะว่ากรรมคือการกระทาการทำกรรมทำได้สามทางมโนกรรมคิดชั่ว กายกรรมทำชั่ววิจีกรรมพูดชั่วถ้าเราไปพูดชั่วเนี่ยติดคุกไหมติดมาตราหนึ่งหนึ่งสองเติดคุกได้แล้วทำชั่วล่ะไปฆ่าเขาเข้าละ่ะอย่างพวกเราท่าทั้งหลายเหตุติดคุกคิดชั่วล่ะแต่คิดชั่วเนี่ยยังไม่มีในกฎหมายนะถ้าใครคิดไม่ดีเนีถ้าคิดไม่ดีออกมาแล้วก็ ทำออกมาพูดออกมานะ่ะติดคุกแต่ว่าคิดเฉยๆอยู่ในใจเลยยังติดคุกไม่ได้นะยังเอาโทษไม่ได้แต่หลักทำคําสอนของพระพุทธเจ้าละเอียดกว่านั้นเลยขนาดคิดเข้าไปนะก็ผิดแล้วมโนกรรมนะ่ยคิดผิดนะเป็นมิจฉาทิฏฐิทําให้จิตใจเศร้าหมองทําให้จิตใจไม่ผ่องใสให้ทําให้จิตใจขุ่นมัวทําให้จิตใจเป็นทุกข์พอกิเลสมันความโกรธ อยู่ในใจความโลภอยู่ในใจราคะอยู่ในใจทําให้จิตใจหม่นหมองเศร้าหมองไม่ผ่องใสพอตายไปขณะที่ใจไม่ผ่องใสนะไปตกนรกได้อีกเหมือนกันไปเกิดเป็นสัตว์ที่ไรฉันได้อีกเหมือนกันแต่ขนาดพระภาวนาไม่รู้กีป่ปีก่อนที่จะตายไปห่วงผ้าจีบอลตอนนั้นอะยังเป็ น, ปนไปเป็นเล่นได้เห็นไหมละ่ะนี่แหละวงค์ที่ โอดโมโหขณะที่ตายไปเกิดเป็นสัตว์ในฉานก็มีอย่างพระญาธรรมโศกตามตำรับตำราก่อนที่จะตายท่านโกรธให้ลูกน้องบริวารไม่ได้ทำบุญทำทานอย่างที่ตัวเองต้องการเพราะท่านตายเขาไปเป็นงู ง, งูงใหญ่นี่แหละเป็นไปได้ทั้งนั้นบาปอกุศลพาไปเพื่ให้พวกเราท่านทั้งหลายประกอบคุณงามความดี สั่งสมบุญกุศลบุญกุศลนั่นแหละจะเป็นเพื่อนสองของเราถ้าเราทำบาปอากุศลอกบาปอากุศลนั่นแหละจะเป็นเพื่อนสองของเราอย่าไปให้เป็นบาปอากุศลเป็นเพื่อนนะมันทุกเอาบุญกุศลเป็นเพื่อนสองของเราจะดีกว่าเพราะฉะนั้นพวกเราได้เกิดมาพบพรพุทธศาสนาพบพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าได้พบพ่อแม่ครูบาอาจารย์ได้พบหลักพระธรรม คําสอนคือบัณฑิตนักปรารถนาบัณฑิตนักปราชถ น, ะ น, นชคืออะไรคือพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าแปด่นสี่พันพระธรรมมกขันนะั่นละนั่นแหละคือบัณฑิตนักปรารถนาะเข้าไปคบค้าสมาคมไปศึกษาเนะถ้าศึกษาและปฏิบัติตามหลักธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าแนละ้วมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองนะเมื่อจากโลกนี้ไปขนาดนะั้บุญกุศลจะเป็นเพื่อนสองอย่างที่วาดนะนะเอารับพรในนี้ พระสงฆ์มโนธนาให้พร